ขอคารวะขอพ ร, ขอขอเระเถระที่เถระจอพอรนพรและไม่ชีและญาติโยสัตวทุกท่านที่ของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องผ่านพบต้องเจอเจอสิ่งต่างๆมากมายและบางครั้งเราก็รู้สึกสุข้างทุกบ้างจากเหตุการณ์ต่างๆที่เจอเจอ ราปล่อยปล่อยครั้งเนี้ยเราก็มักจะไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราเจอเจอว่าเป็นสาเหตุแห่งสุขและทุกข์ของเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือใจใจของเราเจออะไรเนี่ยก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าใจเราเป็นอย่างไร อันนี้คือสิ่งที่คนมักจะมองข้าไมไปเรามักจะอธิษฐานปรารถนาอยากจะให้เจอสิ่งดีๆเจอโชคลาภเจอความสำเร็จเจอคู่ครองที่ถูกใจากได้เจอเจอความล่ำรวความยากลำบากโรคภัยไข้เจ็บแต่เรามักจะมองข้ามสิ่งสำคัญกว่า น, นั้นที่เป็นตัวชี้ขาด สุนทรทุก ข, ของเรานั่นคือใจผู้เจ้ากลาวเป็นพุทธภาเศษซึ่งหลายคนอาจจะได้ได้ฟังบ่อยๆแต่ จ, จะไม่พิจารณามากเท่าไหร่นั่นคือพุทธภาเศษที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจป็ะเสริสุดสําเร็จแล้วที่ใจทำทั้งหลายในที่นี้เนี่ยก็รวมถึงสุขและทุกนะ ที่จึงรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจเราเป็นสําคัญแต่เพรเห็นนี้แหละนะการวางใจจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ามาใส่ใจนะจะเจออะไรก็แล้วแตนะ่แต่สิ่งที่จะมองข้ามนะี่คือการวางใจให้เป็นในยามที่เจอเจอสิ่ ง, งต่างๆเหล่านั้น วางใจนี่เป็นความหมายที่กว้างนะหรือความหมายที่กว้างหมายถึงทั้งการทำใจการน้อมใจการฝึกใจหรือว่ารวมไปถึงมุมมองนะต่อสิ่งต่างๆสามารถจะวางใจเพื่ออะไรนะถ้าจะตอบนะ จ, จะจำแนกนี่นะอาจารย์เราแค่ว า, วางใจให้เป็น เพื่อที่เราจะไม่ทำตนให้เป็นทุกข์หรือผู้ยางก็คือว่าไม่หาทุกข์มาใส่ใจไม่หาทุกข์มาใส่ตัวระวังใจเพื่อจะไม่ซ้าเติมตัวเองวางใจให้เป็นเพื่อที่เราจะได้รู้จักหาประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นระวังใจให้เป็นเพื่อที่จะไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้าครอบงำ ระไว้ใจวางใจให้เป็นเพื่อที่เราจะสามารถเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐและประณียิ่งยิ่งขึ้นไปให้คุ้มค่ากับการที่เราได้มีโชคที่มาเกิดเป็นมนุษย์อาตมาช่วยเนี่ยคือ5ประการนะหรือเหตุผลว่าทำไมเราต้องวางใจให้เป็นอันนี้คำถามคือว่า จะวางใจอย่างไรนะจึงไม่ทำตนให้จทุกข์หรือจะวางใจอย่างไรจึงไม่หาทุกข์มาใส่ตัวบ่อยครั้งเนี่ยในยามที่เราปกติเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคไม่มีไัเราอยู่อย่างสุขสบายกินอิมอนอนอุ่นแต่หลายคนก็มีความทุกข์ใจที่ทุกข์ใจนึ่นเพราะวางใจไม่เต็ม และเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วางใจไม่เป็นก็เพราะว่าใจเนี่ยนะมันชอบหลายแง่ดีไปจมอยู่กับเหตุร้ายที่อาจจะฝังใจอาจจะผ่านไปแล้วสิปี20ปีหรือเพิ่งผ่านไปแล้วเมื่อไม่กี่วันก็แล้วแต่ ท, ทั้งที่อยู่สุขสบายแต่ว่าใจทุกข์เพราะวางใจไม่เป็น ก็คือไม่รู้จักวางใจให้มาอยู่กับปัจจุบันคนส่วนใหญ่หาทุกสายตัวเนี่ยเพราะว่าปล่อยใจให้หลายไปอดีตบ้างลอยไปอานาคตบ้างวางใจก็สำคัญกันนะ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 แล้วก็ไม่ได้รับความจากพ่อแม่ไม่เป็นที่รักของพ่อแม่เพราะว่าเป็นเป็นผู้หญิงแต่การผ่านมาสามสิบสี่สิบปีแล้วแต่เธอก็ยังเศร้า ท, ทั้งที่วันนี้เนี่ยร่ำรวยนะเป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ทุกข์เพราะว่าแม่เจ็บแม่ป่วยลูกก็อยู่มาเจอโยมคนหนึ่งเป็นคนไทยคิดหัวคิดถึง เหตุการเมื่อ20ปีที่แล้วมีที่ดินอยู่พื้หนึ่งอยากจะเก็บไว้ให้กับลูกเป็นสมบัติแต่ว่าวันหนึ่งสามีบอก ว, ว่าแน่ว่าให้ขายเธอและเอาเงินมาให้ลูกลเธอก็เห็นค่้อยตามสามีขายที่ดินไปบอกว่าสามีก็เอาเงินนั้นเนี่ยไปใช้จ่ายจนหมดไม่มีเงินเหลือให้กับลูกเธอก็เศร้าเสียใจยรู้สึกิ ก็ประจมอยู่กับเหตุการณ์เนี่ยซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนสูงเศร้าจนการเป็โรคสูงเศร้าอันนี้เรียกว่าวางใจไม่เป็นแทนที่จะปล่อยใจให้ไหลไปดีวางใจไปอยู่กับปัะตูบานไม่ปล่อยใจให้ลอยไปกับอนาคตไปปรุงแต่งกับสิ่งทียง่ยังไม่เกิดขึ้นหลายคนมีความวิตกกังวลกระวนกระวาย เพราะว่าใจเนี่ยนึกถึงแต่ว่าจะเกิดเหตุร้ายอ ย, อย่างนู้นอย่างนี้อย่างไรก็ตอนเนี่ยอาจจะนั่งไม่เป็นสุขแล้วเพราะว่ากลัวว่าจะกลับบ้านยังไงฝ น, นตกหนแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วบ้านเราปิเป็นนั่นไว้ดีไหมน้ําท่วมหรือเปล่าทุกวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ในห้องแอร์สบายไะมก็สบา ย, นะาบายแต่ใจร้อนแล้วนะเพราะว่าไปคิดเนี่ยถึงอนาคตที่ยงไ ม, ไม่ไม่เกิดขึ้น เวลารถติดเนี่ยใจก็ร้อนรนประวนประวายถ้าท่า น, นที่รถก็ติดแอร์เปิดฟังเปิดเพลงที่ไพเราะแต่พ่อใจเนีคิดเป็นลุงน้านแล้วว่าเดี๋ยวจะไปประชุมไม่ทันเดี๋ยวจะผิดนัดเดี๋ยวจะไปทํางานสายเดี๋ยวะตกเครื่องบินถามว่าเกิดหรือยังยังไม่เกิดแต่ว่าใจไปแล้วนะดึงใจกลับมาน้อมใจกลับมาพาใจกลับมาอยู่กับคือบัน แลายคนมีความทุกเพราะว่าถ้านักที่ตัวเองก็มีมีทุกอย่างนะแต่ก็ทุกเพราะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเห็นคนหนึ่งเขาสวยกว่ารวยกว่ามีลูกที่เก่งกว่ามีลูกที่น่ารักกว่ารอยทุกเลยเนะวลานี้ก็มีการเคยมีการสอบถามความเห็นของผู้หญิงที่หน้าตาดีนะั้นในยุโรปและอเมริกา ก็าจอตจงเลือกสอบถามผู้ที่หน้าตาดี90เปอรเซ็นต์มีความทุก์ไม่พอใจในรูปร่าง้าต่างตัวเพราะอะไรนะเพราะไปเปรียบเทียบตัวเองกับดารากับศิลปินนะกับนางแบบแล้วก็เลยมีความทุกข์มากหลายคนแม้จะรวยไม่รู้จักคาว่าลำบากหรือกวจากหรือพร่องแล้วก็ทุกข์เพราะว่าเห็นคนอนื่นเขารวยกว่า หมอเรซิชคาโก้เนี่ยเมื่อหลายปีก่าเกนเคยสอบถามคนประมาณ 3,000 ันคนตั้งแต่อายุห้สิบว่าถึงแปสบสาวันถึงสโดยเน้นโดยสอบถามถึงสุขภาพและฐารนะาทางเกิน ก, นกนารของตัวเองและเครือข่ายที่ตัวรู้จักไม่เป็นครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อรุ่งงานแล้วก็พบข้อสุดอย่างนงที่น่าสนใจบอกว่าคนที่ กับผู้อื่นที่มีฐานะการเงินดีกว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัใจ 20% เพื่อเทียบกับคนที่มีฐานะดีกว่าคนเราที่ไม่ใช่คนจนนะก็เป็นคนรวยนะแต่ว่าพอเจอคนที่รวยกว่าเขาเคนที่รวยกว่ารู้สึกน้อยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พอนะยังจนอยู่ และนคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยที่อาตมาเรียกว่าเป็นการหาทุกขมาใส่ตัวนะหรือว่ามาทํำตัวเป็นทุกข์ทั้งที่มีชีวิตที่สุขสบายเพรนถ้าเราวางใจไปคืว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีนะไม่มัวเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้วเราก็จะมีความสุขได้ง่ายนะการมองลบนะก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทําให้คนเนี้ยไม่มีความสุข แม้ว่าจะมีชีวิตที่สุดวกสบายก็อคอยเห็นแต่ด้านไม่ดีของตัวทำงานอะไรก็ตามก็เห็นแต่ข้อผิดพลาดของตัวเวลาทำงานกับเพื่อนโรงงานก็เห็นแต่ข้อบกพร่องของเพื่อนโวม ง, งานเรื่องเล่าที่อาตมาคิเป็นคลาสสิกนะหมายถึงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากคือเรื่องราวของพระอาจารย์ตรมมวาัางโสนะ ถ้าเป็นพระชาวอังกฤษแต่ว่าไปสร้างวัดที่ประเทศออสเตรเลียและพระที่นั่นเนี่ยต้องสร้างวัดเองท่านมีหน้าที่พันแต่ะก้อหมายกับเจ้าวาดให้สร้างกำแพงก่อกำแพงด้วยอีกถ้ามีคนที่ใส่ใจเรื่องการก่อกำแพงมากอกแาีแต่ละก้อแต่ละก้อนก็วางอย่างระมัดระวงังแล้วก็ให้ได้มุมได้ถัดทําทเกเสร็จแล้วก็แปว่าท่านไปเจอไปพบว่ามีอีกสองก้อน ที่ไม่ได้หมุ่ไม่ได้ฉากถ้ารู้สึกไม่สบายใจอยากจะลือ้อแต่เจ้าว่าแม่อนุ ญ, ญาตท่าบอกถ้าไม่พอใจมากถ้าระเบิดได้ป็จะระเบิดนะแต่ว่าเจ้าอาวาสมันอนุ ญ, ญาตก็ต้องยอมแต่เวลาท่านเดินผ่านกําแพงนั้นทีไรเนี่ยท่านก็จะรู้สึกไม่สบายใจขัดตาที่หมดเลยวันหนึ่งาามีคารวาตอาคารถกระมาเยี่ยมท่านก็พาชมวัด ครับาราวคนนั้นก็เดินผ่านกำแพงแล้วก็เอ่ยปากพูดว่ากำแพงสวยทำได้ลดงาแล้วจามพรบอกว่าไม่ไม่เชื่อหูเลยนะแล้วก็เลยพูดแย้งไปว่ามันสวยได้ยังไงคุณไม่เห็นเลยไ อ, อ, อสองก้อนเนี่ยนักดนตรีบอกผมเห็นครับแต่ผมผมเห็นกาแพงส่วนที่เหลือเนี่ยมันสวย ปีอสองก้อนเนี่ยมันไม่สวยก็จริงแต่ว่าเก้าร้อก้าสปดกอนเนี่ยก่อได้สวยพอที่เช่นเนี่ยอาจารย์พระมวลสวรท่านเรียกว่าสว่างเลยนะท่านเห็นเลยนะความทุกข์ของท่านเนี่ยมันไม่ใช่ปีสองก้อนหรอกแต่มันก็ใจนั่นเที่มองเห็นแต่ปีสองก้อนนั้นนะก็คือมองแต่ลบเวลาที่อัคคตุ ก, การเนี่ยเขามองไม่ได้เห็นแต่ลบเขามองเห็น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 พรวังใจไม่เป็นก็เลยหาทุ้มาใส่ตัวแต่บ่อยครั้งเนี่ยก็ต้องเจอเหตุร้ายนะต้องเจอความสูญเสียต้องเจ็บป่วยแต่คนจอนวนมากเนี่ยเขาจะซ้ําเติมตัวเองแทนที่จะป่วยแต่กายใจก็ป่วยด้วยป่วยสองอย่างเลยแทนที่จะเสียเงินเสียของ เสียเท่านั้นเสียอยื่นตามมาเช่นนึกถึงมันนึกถึงของที่เสียนึกถึงเงินที่ถูกโกงนึกถึงโทรศพัพท์ที่ถูกขมโมยนึกถึงก็เสียใจขุ่เคืองใจใจก็เสียไปหนึ่งนนะพอใจเสียมากๆเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสีย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 นะเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียสมธรมภาพอันนี้เราซ้าเติมตัวเองคนที่ฉลาดเนี่ยถ้าจะเสียก็จะเสียในอย่างเดียวไม่อยอมปล่อยให้เสียระเนระนาดถ้าจะป่วยก็ปล่อยป่วยอย่างเดียวเวลาทำงานเนี่ยถ้าจะเหนื่อยนักเหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายแต่ส่วนใจก็ปล่อยให้ใจเหนื่อยด้วย เป็นยังไงบน่วยไวเวลาทํางานก็บนนะเจ้านัายเป็นธรรมเพื่อนเอาเปรียมเพื่อนคู้เพื่อนกินแรงอันนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองถ้าเรารักตัวเองเนี่ยนะถ้าจะเหนื่อยเหนื่อยเดียวคือเหนื่อยตายนะไม่ปล่อยให้ใจเหนื่อยด้วยถ้าจะเสียเนี่ยก็เสียแค่อย่างเดียวไม่ปล่อยให้เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียสมรรถภาพ ถ้าจะป่วยก็ป่วยแต่กายจะไม่ป่วยที่เป็นเช่นนั้นเท่าไหร่กาวางใจไม่เป็นนะเอาแต่โว ย, ว, ยวายตโวยตีพายแต่ถ้าวางใจเป็นนะเราก็รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเอาจิตมาอยู่กับปัจจุบนันคนที่ป่วยกายแนละ้ว ใจปวดด้วยเพราะว่าบางทีใจไปถึ ง, ถงนอนาคตว่าเดี๋ยวถ้าป่วยหนักวันนี้จะเป็นอย่างไรฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านี่ใจมันอยู่กับปัจจุบันเวลาเสียของเนี่ยแทนที่จะเสียงเดียวเสียสุขภาพเสียใจเสียสมรรถภาพเสียงานโเฉพาะใจเนี่ยมันไปอยู่กับกบติไปอยู่กับจดจด่อหยกของที่เสียไป เราซ้ําเติมตัวเองบ่อยครั้งนะเวลาทํางานแทนที่เราจะจดจ่อยอยู่กับงานเราก็ไปดูคนอื่นนะว่าเขาทํางานน้อยกว่าเราเขาอู้งานอันนี้เราส่งจิตออกนอกดันะั้นถ้าแต่ว่าเรารู้จักวางใจมือกับปัจจุบันเนะี่ยอ่างที่พูดมาสักครู่เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราไม่ซ้ําเติมตัวเอง เวลาลดติดอย่างมากก็แค่เสียเวลาแต่พอวางใจไม่เป็นนะปล่ อ, อยให้จิตตกนะเสียทั้งเวลาเสียสติหรือเสียความสุขถ้าจะเสียเสียงเดียวคือเสียเวลาแต่ใจก็ปกติผ่องใสเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้จักวางใจกับมอบาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับ เ, กเสียงธรรมะที่กําลังเปิด การน้อมจิตหรือวางใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ซ้ำเติมตัวเองเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพียงแค่เรายอมรับมันแทนที่จะบ่นโว ย, ยวายติโพยติพายเพื่อการผลักใส่ปริเสธแค่ยอมรับมันเพรมันเกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะบ่นโว ย, ยวายเมื่อป่วยกายแล้วเนี่ย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 มองไปข้างหน้าว่าเราจะแก้ไขอย่างไรการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นพอนะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาความเจ็บปวยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรายอมรับว่ารถติดในกรุงเทพเป็นเรื่องธรรมดาถึงเวลารถติดแน่นขนาดเราก็ไม่บวดไม่บวยวาย การเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นธรรมดารวมทั้ความเจ็บปวดกวเป็นธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรายอมรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้การที่เราเห็นโทษของการบกนธโวยวายตีโพตียหรือปล่อยใจให้จบด้วยความโกรธความขุ่นมัวเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวเองถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยนะก็จะได้สติแลวจะ เห็นความสำคัญของการกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้เท่าทันใจที่ปวดวุ่วายติดวุววิายอันนี้ก็เป็นการวางใจอย่างนึนสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยยอมรับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้นเนี่ยคุณลองเติมคำว่าแค่ลงไปแค่ หายแค่โทรศัพท like, ์เงินหายแค่สองมืนนีผู้ชายคนหนึ่งนั่นหน้าตากระซิบเซียวขอไปหาหมอหมอเองก็ขอตรวจเลือดเลยแล้วก็นัดมาฟังคนแล้วหมอก็บอกว่าลุงลุงเป็นเบาหวานนะ แกยิ้มเลยนะหมอบอกหมอก็เสงสัยหมอก็เลยย้าว่าลุงเป็นเบาหวานนะ้นแล้วเป็นเบาหวานนี่มันต้องดูแล ร, ร่างกายตลอดชีวิตเลย น, นะทําไมยุทําไมลุงนี่หน้าตายิ้มแย้มแบบนี้คุณลุงก็บอกว่าหมอที่แรกผมว่าเป็นเหตุเป็นแค่เบาหวาน <laughs> เป็นแค่เบาห ว, นะวานเนี่ยนะคือพอพอเป็นแค่คําว่าแค่เบาหวานนี่นะมันเป็นเรื่อง เป็นเรื่องเล็กไปเลยนะอีกรายหนึ่งนะอันนี้อตรตมาก็เล่าบ่อยเหมือนกันจิตอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นเด็กอายุสุดสี่เธอเป็นมะเร็งสมองผมร่วมหมดเลยเพราะโดนฉายแสงฉินเทอร์โมแต่เธอยืดยันแต่งสายจิตอาสาก็แปลกใจคุยไปคุยมาเธอก็เธอก็บอกว่าเธอโชคดีที่เป็นมะเร็งสมอง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 โอรถติดแค่สองชั่วโมงยังเหลือใช่ไหมจะทุกไปทําไมก็บรถติดอ่ะเพราะมันติดแล้วใช่ไหมเราทำเราเราวางใจให้เป็นปกติดีกว่าอันนี้จะมองแง่หนึ่งก็คือการมองบวกก็ได้นะการมองบวกก็เป็นการวางใจแบบนึงนะคือวางใจให้เห็นแง่มุมที่เป็นบวกนะแทนที่เราจะจอดเห็นแต่ด้านที่เป็นลบเราก็วางหรือว่ามองหันยวามองส่วนที่เป็นบวก มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มและเป็นคนที่มีจิตงดงามมากชอบไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทวันนึ้ก็ชวนนักศึกษาไปช่วยโรงเรียนแถวแม่ห้องศนไกลทีเดียวนะ เสรแล้วเนี่ยก็นั่งรถตู้กลับนั่งสอนเนี่ยคงเยอะขากลับเนี่ยเกิดว่ารถเนี่ยเกิดพลาดนะตกจากถนนลงไปยังเหวข้างล่างก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะตอนที่ตกลงไปเนี่ยชาญนคนที้แกก็ภาว น, นานนะและขอให้ทุกคนเนี่ยที่แกพามานี่ปลอดภัยตกลนรักษาทุกคนที่ปลอดภัยหมดเลยยกเว้นแก แกนี่นะปกว่าจะรับแรงกระทุกรทกระทบกรยอย่างแรงเป็นอัมรพึกเป็นอัมภพาดขึ้นตัวแต่แกก็ยังยิบแย้งแจ่มใสหลายคนเนี่ยเข้ามาแกเล่าว่ามีหลายคนที่มาบอกแกแก้บแทบทานองสองสารแล้วก็ตัดคอขนาดทําบุญยังต้องยังยังเจออุปัติเหตุ ขนาดทําุญแล้วยเจออุบัติเหตุมันก็ว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีแต่ในใจนี่แ ก, แกกลับคิดว่าเนี่ยก็เพราะทําบุญเสรนะั้นถึงรอดมาได้ขนาดเนี่ยถึงรอดต้องครึ่งตัวไม่งั้นตายไปแล้วนี่ก็นี่กเป็นการมองโห น, นะคือว่าการที่จะมาเสีย อ, อกเสียใจว่าโหบุษราทําความดีทําบุญทําบุญเสรแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้แกก็มองว่าเพราะทําดีนะเสรน่ะ ถึงไม่ตายยังยังแค่อมาพาดขึ้นตัวไอความรู้สึกที่ดีของเราเนี่ยความรู้สึกที่การที่มองสิ่งต่างๆในเชิงบวกหรือว่ามอง่างแง่ดีของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับความชุกขได้โดยที่ไม่ซ้ำเติมตัวเองหลายคนไม่ชอบความเครียดโดยเาะนภาวนา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 ความเครียดจะดีหรือไม่ความเครียดจะเร็วหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไรถ้าเรามองว่ามันดีความเครียดก็ดีนะถ้าเรามองว่ามันแย่ความเครียดนก็ซ้ำเติมไม่เราเนี่ยแย่ทั้งกายแย่ทั้งใจเมื่อเร็วๆนี้เขามีการศึกษาเขาทดลองกับนักศึกษาสองกลุ่มสองกลุ่มนี้กาลังจะสอบเข้าเรียนปริญญาโทซึ่งข้อสอบก็ยาก กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะผู้ทดลองเนี่ยก็จะบอกกับนักศึกษาว่าให้ความเครียนระหว่างสอบหรือในระหว่างการเตรียมสอบเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเครียดมันก็ดีเหมือนกันมันช่วยทำให้การสอบได้ผลดีอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ไดทำอะไรเลยแล้วก็ให้ลองสอบดูเพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยซึ่งแต่ละการบอกแล้ว่าความเครียดมันดีมันมีประโยชน์ทำคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มที่สอง ถท่านี่ความเครียดเท่าเดิม น, นะความเครียดของสองกลุ่มเนี่ยเหมือนกันพราะเขาเอาน้ำลายไปตรวจหาคอติโซลก็พบว่าของสองกลุ่มที่เครียดเหมือนกันแต่กลุ่มแรกเนี่ยเขมองความเครียดในแง่ดีเขาไม่ได้ทุบร้อนออกมาคะแนนการสอบได้ดีกว่านี่เป็นการทดลองสอบและพอถึงเวลาสอบจริงกลุ่มที่หนึ่งก็สอบได้ดีด้วยได้คะแนนดีด้วยอีกที่หนึ่งก็ทําวิจัยกับนักศึกษากับ พนักงานในในใ น, ในธนาคารแห่งหนึ่งเอาไม่ใช่ในธนาคารแห่งหลายแห่งประมาณสี่ร้อยคนแบบงเป็นสามกลุ่มกลุปป่มหนึ่งเนี่ยนะเขาจะให้ดูวิดีโอที่ย้ําถึงโทษของความเครียดเพาเครียดนี่มันทําให้หัวใจวายทาให้เป็นโรคความดันอีกลุ่มหนึ่งก็าบอกความเครียดนี่มันมีข้อดีอย่างไรบ้างมันช่วยสามารถจะกระตุ้นให้เกิดสมรรถนะในการทํางานกลุ่มที่สามไม่ทำอะไรเลยนะ ดึงอนที่ผ่านไปเนี่ยเขาเพราะว่ากลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งได้รับได้ดูวิดีโอที่ว่าความเครียดมันดียังไงเนี่ยเรากฏว่ามีมีสมาธิดีดกว่ามีส่วนร่วมมากกว่าแล้วก็มีความเจ็บป่วยน้อยกว่าสองกลุ่มอันนี้เ็าเชื่อเลยว่าท่าทีของเราหรือความสึกของเราต่อความเครียดเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นสิง่งมันเป็นสิง่งสคัญที่กับตัวความเครียดในความเครียดไม่ดี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 ต้องได้ใช้โดที่สูงคนส่วนใหญ่แพ้แต่เธอไม่แพ้แพ้น้อยมากคนก็แปลกใจว่าเธอมีอะไรดีหรือยีนเธอดีหรือเปล่าเพราะว่าเธอบอกเธอไม่ได้ทำอะไรเลยเธอเพียงแต่คิดว่าเวลาได้รับการฉายแสงเนี่ยเธอก็คิดว่ากําลังได้รับแสงสว่างเวลาฉีดเคมีบําบัดเธอก็คิดว่ากาลังได้รับน้ำํำพิษเธอมองมัน ด้วยความสุขที่ดีพอใจยอมรับ ก, กายก็ยอมรับด้วยกายก็ไม่ต่อต้านตรงข้ามคนที่กลัวกลัวเคมีบำบัติกลัวการฉายแสงได้รับคำพูดว่าแพ้แพ้มากเลยพอโดนฉายแสงเข้า่ใจมันต้านด้วยความกลัวใจมันแพ้เป็นกลาง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 ไม่รู้เลยนะว่ากำลังซ้ําเติมตัวเองเสียเงินเพราะถูกโกงไปแล้วเนี่ยยังปล่อยให้ความปวดเผาความจิตใจยังปล่อยให้ความเกลียดเกลียดแทนใจแล้วคนที่เขารักตัวเองนะก็จะไม่ซ้ําเติมตัวเองเสียก็เสียแต่เงินนะแต่ว่าจะไม่รักษาจะไม่จะให้ปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ด้วยก็จะรู้จักให้อภัยการให้อภัยนี่ก็เป็นเป็นการวางใจอย่างหนึ่งนะ ไม่ใช่ให้ไขยเพื่อคนอื่นให้ภัยเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองได้ไม่ทุกข์เพื่อจะได้นอนหลับเพื่อจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยจากความโกรธจากความพยาบามชายคนนึงถูกรถชนแล้วเต็มผีรถคันนั้นก็หนีไปเลยปล่อยให้ชายคนนั้นเนี่ยนอนอยู่บนถนนขาหักแขนหัก รถพยาบาลมาถึงอย่างทันทีมารับชายคนนั้นเพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ชายคนนั้นบอกว่าฉันไม่ขึ้นจนกว่ารถติดดีคนนั้นมาขอโทษฉันคนนี้ฉลาดนะไม่ฉลาดนะคนที่รักใครเนี่ยต้องไปรักษาก่อนทุกคนก็ทำํำยีทั้งหน้าเวลาป่วยเวลาเจ็บกายแต่ก็เจ็บใจไม่ทำอย่างนันนะ แล้วเจ็บใจจะพูดเนี่ยขอต้องมาขอโทษฉัน ก, ก่อน จ, จ, จึงจะให้อภัยและไม่ทำเหมืนกับเวลาที่เราเจ็บกายเขาจะมาขอโทษเราหรือไม่เราไปโรงพยาบาลก่อนเราไปากรักษาตัวก่อนแต่เวลามีคนมาทําร้ายจิตใจเราเนี่ยเราจะไม่ยอมให้ไม่ยอมให้อภัยเขาจนกว่าเขาจะมาขอโทษเราอันนี้เราฉลาดหรือเปล่ราระวาังใจถูกไหมถ้าเรารับตัวเงหนะ้าที่ของเราอย่างแรกคือเยีออยวยาจิตใจ และสิ่งที่เยียวาจิตใจได้ดีที่สุดอย่างก็คือการให้อภัยเขาจะมาขอโทษเราหรือไม่เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่ทํามันก็เป็นกรรมของเขาอยู่นะแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องดูแลตัวเองดูแลกายและใจตัวเองเยี่ยวยัาประกานต่อมาคือว่าระวางังเราจะวางใจอย่างไรนะ จึงสามารถหาประโยชน์จากทุกสิ่งไดนะ้ทุกสิ่งที่อีเกิดขึ้นเราเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมองนะถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยเราสามารถจะหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งแม้ว่ามันจะเป็นความเจ็บความป่วยความสูญเสียนะตอนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีห้าสิบ ก็มีผู้คนสิ้นเนื้อประดานตัวเป็นจํานวนมากหลายหมื่นเป็นแสนบางคนก็กูุ้ม่กกลุ้มใจจนเป็นบ้าบางคต้องฆ่าตัวตายซึ่งอันนี้ก็จัดว่าเป็นการซ้าเติมตัวเองนะเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยมันมันทำลายหรือว่ามันแค่พัดพาเอาทรัพย์สมบัติไปมันไม่สามารถจะทําอย่างอื่นได้แต่พราวางใจไม่เป็นก็เลยกลุ้มอกกลุ้มใจจนจนเสียสตินะจนเป็นบ้าหรือจนทําลายตัวเอง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 อาจารย์พุท่าบอกว่าความเปรตป่วยมาเตือนให้เราฉลาดหลวงพ่อเขียนสวรรคโนสุเมจรน์ออตัมมาตอนที่ท่านป่วยเป็นมะเร็งครั้งแรกเมื่อปีสีนะ่เก้านท่านก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาท่านบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งนี่ก็ดีนะมีคนทำอะไรให้ทุกอย่างเลยสบายนะได้แต่นั่งดูไตลักนถะ้าใช้โอกาสเนี่ยนะ เวลาเจ็บป่วยเนี่ยดูไตรับว่าไตรับนี่มันมาแสดงให้เราเห็นมันมาโชว์ให้เราเห็นเวลาป่วยเนี่ยเป็นเวลาที่ดีนะที่เราจะมาพิจารณาดูไตรับไม่ใช่แต่บนโวยวายที่โวยที่พายทําไมต้องเป็นฉันนะนี่คือโอกาสดีนะที่เราจะได้เห็นสัจธรรมจากความเจ็บป่วยนี่คือความหมาย ก, การเห็นประโยชน์จากทุกสิ่งเห็นประโยชน์จากทุกสถานที่เกิดขึ้นนะการสูญเสียคนรักนะ มันก็สอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงของสังขารเห็นโทษความติดยึดนะนางกีสามคนนี้เนี่ยพอเห็นตรงนี้นะท่านบรรลุ ธ, ธรรมเป็นประโสบกาบณ์เลยนะจากเดิมเนี่ยที่พุ่มกับกงใจที่เสียลูกอายกกุแค่สองสงามขวบยอมรับไม่ได้ที่ลูกตายปลุมศพลูกเพื่อให้ใข่ตอกไขฟื้นปลูกให้ฟื้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะพอได้พอได้ไ ด, ได้เจรอุบายธรรมจากพระพุทธเจ้า ก็เข้าใจเรื่องความตายนะเข้าใจเรื่องความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวและพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพียงแค่เล็กน้อยนะว่าน้ําป่าเนี่ยย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลชั้นใดเนี่ยพญ า, ามาจุรายก็พัดพาผู้ที่หลอกไหลในรูปในทัพในคนรางฉันนั้นพอพุทธนี้นี่นางอิสาก็จมีบรรลุธรรมในพระโสดาบั น, นได้ประโยชน์นะจาก ความสูญเสียที่เกิดขึ้นคําด่าก็มีประโยชน์นะคำด่าก็มีประโยชน์มีประโยชน์แต่หลายอย่างเลยนะคุณเล็กวิริยพันธ์อดีตเจ้าของมือโบราณเคยพูว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอกมองยาคนนะคำต์นีเป็นอกมรยาคลมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลงวลงปู่ค้าวอนารยโยยังมีชีวิตอยู่เนะี่ย วันหนึ่งท่านก็มอบหมายพระสองลูปเป็นลูกศิษย์เนี่ยไปดูตาว่ากราแม่ชีคนหนึงชื่อแม่ชีสาแม่ชีสานี่เป็นเป็นคนที่ปฏิบัติดีนะแต่ว่าท่านก็มีอุบายนะให้สองลูปเนี่ยไปดา่าแม่ชีสาแม่ชีทั้งสองลูปก็เดินไปที่กุฏิแล้วก็ทําตามที่ครูบาสาครูบาอาจารย์สั่งโดยที่ไม่ได้สงสัยว่าให้ด่าเลยทำไม ไปดูด่าเลยแม่ชีสานี่แรกก็งงนะแต่ว่าก็ตั้งสติได้พนมมือฟังคําดูด่ า, าว่ากล่าวพระอาจารย์สองท่านก็ดูด่ า, าว่ากล่าวจนไม่ไมไมรู้จะด่าเลยนะล้พอหยุดเนี่ยแม่ชีสาก็เลยพูดมาว่าพระอาจารย์ดูด่ า, าว่าก ล, ล่าวจบแล้วเหรอทีฉันฟังแล้วทราบซึ้งเหลือเกินที่ดูดามานนั้นเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นเลย คาหน้าพี่มนมาดูดา้าไปนะเพราะว่ามันจะช่วยช่วยช่วยช่วยขูกินเลสให้หมดไปแม่ชีสาวไม่ทุกเลยนะแม่ชีสาววางใจอย่างฉลาดว่าคาดูดาว่ากลาเนี่ยมาเป็นเครื่องขูดกินเลสเป็นเครื่องลดละอัตรานะงั้นอยากให้ให้เราเราลองนะเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราลองหาประโยชน์จากมัน ไ ม, ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามโดยเฉาะสิ่งที่เป็นลบหรือแม้แต่ในยามปกติเนี่ยไม่ว่าเราเห็นเราเจออะไรเนี่ยลองมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะเราจะได้ประโยชน์มากเงินหายของหายก็เป็นธรรมะมันแสดงความไม่เที่ยงเห็นต้นไม้ล้มใบไม้ร่วงก็เป็นธรรมะบางทีแม้กระทั่ง เห็นหญิงสาวเห็นรอยยิ่งหญิงสาวก็เป็นธรรมะได้พระนักสมาเนี่ย น, นท่านกำลังเดินอยู่ในเมืองนะก็มีขบวนแห่มีหญิงสาวคน้นงแต่งตัวสวยงามเป็นานางรำนะแต่งตัวฟ้อนรมอย่างดีนะแล้วก็มองมาที่ท่านสายตาท่านเนี่ยไป ไปกระทบนะกับหญิงสาวคนนี้แต่ทนที่จะเกิดการมารากครับท่านกับเห็นโทษของกลางว่านี่แหละคือวงแห่งมาจิต ท, ท่านเนี่ยเกิดปัญญาเลยนะแล้วก็ท่านบรรลุธรรมนะบนถนน น, นนั้นเลยอันนี้คล้ายๆกับท่านและวุณตกักกฐิยะท่านเป็นผ้าที่ล่างเล็กนะ ตัวตัวก็แค่เป็นมันก็แค่โคติอ่นะตัวตัวเล็กๆหมานยป้องๆก็อยู่บนถนนนะก็มีรถม้าเนี่ยแด่นผ่านในรถมา้าก็มีมานพหนุ่มกับหิงคณิกาหิงคณิกาเห็นพระลบุญตะกัดเนี่ยภัทยาก็เห็นแล้วเห็นคงเห็นดูแล้วก็ยิ้มยิ้มเนี่ยเห็นฟันเลยถ้ลลกกาลบุญตะกัดเนี่ยก็เห็นภาพนี้ แต่แทนที่จะเกิดแทนที่ได้เกิดราคะในท่ากับมองโอนี่คือคือบ่วงของมาใจท่านไม่ไคอยตามในท่านกับเห็นโทษเห็นโทษของสังขารเนโทษของการมาราคะท่านบรรลุธรมไปผ่านนาทางมีทันทีเลยอันนี้ก็เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์เราสามารถจะเห็นธรรมะจากทุกอย่างแม้กระทั่งภาพหญิงที่กำลังแต่งกาลังยิ้มหรือว่ากําลังฟ้อนอย่างสวยงามได้ ปฏิสารเนี่ยท่านเดินนะผ่านชุมชนได้ยินเสียงนางทาสีกําลังร้องร้องเพลงและเพลงนะั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของชีวิตคล้ายๆถ้าเป็นเพลงรุ่งุสมัยนี้ก็เหมือนกับเพลงมันบอลแน่ต่อมานะแต่เพลงนั้นออกมันลีลาเศร้ า, าๆท่านฟังมีท่านพิจารณาตามท่านบรรลุธรรมพระรหัสเลยนะท่านบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้จากการพิจารณาทราบสดแต่จากการที่ได้ฟังเสียงเพลงของหญิงสาวร้อง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 มันอาจจะทำให้เราเนี่ยเ่อเปิดช้อยกิเลสได้ไม่มีเรื่องเล่านะเปียนโปสเตอร์เนี่ยแกเป็นแก เ, เป็นนักสร้างหนังที่มีชื่อมามสิบปีก่อนก่อนที่จะเป็นนักสร้างหนังเนี่ยแกเป็นนักวาดโปสเตอร์โฆษณานหนังแ่เล่าว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะชื่อชื่อเกษียณเนี่ยวันหนึ่งไปนั่งกินอาหารด้วยกันในร้าน เกษียนเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกินเหล้าแล้วก็ท่าทางเมาเลยเกษียนก็พูดขึ้นมาว่าโง่ชิบหายกินเหล้าแต่โดนเหล้ากินสองเดือนต่อมาไปงานเลี้ยงบ้านเพื่อนเขาตั้งในโต๊ะนี่ก็าเขามีเบียวางไว้อยู่บนกลางโต๊ะแกก็ลองชิมดูก็รู้สึกมันฝืนๆนะเปรี้ยวๆผ่านไปไม่กี่วัน เบียร์สเตอร์ก็ไปสังเกตเห็นกระเสียนี่กำลังว่ารูป ก, ก็เป็นเรียบให้ลูกน้องเนี่ยไปไปซื้อเบียร์เบียร์โสเตอร์ก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ้าวเคยว่าเขาแล้วทำไมทำใจ้เองกระเสียนว่านายไม่รู้อะไรไอ้เล่าจะเป็นของคนสะถุนเนี่ยแต่เบียร์เนี่ยมันของคนที่เป็นคนชั้นสูงเอาไว้ผ่อนคลายนะ จากเดิมเนี่ยกินเบียร์แค่ขวดเดียวหรือครึ่งขวดตอนหลัก็ล่อไปสีห้าขวดต่อวันนะแล้ววันหนึ่งก็เบียร์โปเซอร์ก็ไปเห็นกรเสียนบอกให้ลูกน้องเนี่ยไปสั่งไปไ ป, ไปซื้อล่ามาเต็กเนียเบียรโปรเกเลยพูดมาว่าอ้าวนายบอกว่าเราเป็นของคนสนุนนะเราทาไมเดมีกินเหล้านะแล้วแกก็บอกว่านายต้องเข้าใจนะ อาชีพอย่างเราเนี่ยเงินเมันไม่เท่บมันเงินมันมากไม่มากเท่าไหร่จะมีปัญญาซื้อเบียร์วันลสี่ห้าขวดได้ยังไงกินเหล้าเป๊กเดียวนี่เอาอยู่เลยนะและนัแต่นั้นแกก็ติดเหล้าเลยนะเสร็จแล้วแกก็เป็ น, นำมาฆ่าที่กก็ตายเพราะเหล้าจากคนซึ่งดา่าคนกินเหล้ามงงั่ชิดพายเลยเนี่ยกินเหล้าแต่ให้เหล้ากินเนี่ยกลายเป็นคนติดเหล้านี่ย อันนี้เพราะอะไรนะบางก็อาจจะบอกว่าเป็นเพราะว่าไปว่าเขานะก็เลยโดนเองแต่ที่จริงไซส์ทา ง, งานคือเพราะความประมาทประมาทต่คิดว่าเล่าเนี่ยมันเป็นของคนโง่คนอย่างชั้นชั้นเป็นคนฉลาดเนี่ยเล่ามันทำอะไรไม่ได้นะพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยนะมันเปิดช่องให้เล่าเนี่ยเข้ามาครอบงนำะเวลาทันทีที่เราไปดูหมิ่นเย็นยามว่า ก, กล่าวใครเนี่ย นั่นแหะคือช่องทางที่กินเลนเนี่ยมันจะเข้ามาพระที่เพ่งโทษคนนั้นคนนี้นะว่าไม่รักษาศีลไม่มีวินัย น, นะหลายลูกก็ลงเลยนะด้วยการสุดท้ายก็สึกแล้วก็สุด แ, แล้วก็ไปติดเล่านะแล้วบางทีก็ตายคนเร า, เาอันนี้เป็นเพราะความประมาทแต่จริงมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเล่าอย่างเดียวนะความประมาทอย่างอื่นก็เหมือนกัน ปประมาทในความดีที่ตัวเองมีนะหรือว่าประมาทในในความสุขที่ที่มีพู้เจ้าตรัสว่าผลแห่งความดีย่อมเป็นพิดแกะผู้ไม่พิจารณาเนะวลาทำความดีแล้วก็ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญได้รับรางวัลนะ ใครๆก็ยุกย่องเนี่ยอันนี้เราเป็นผลในความดีแต่ถ้าไม่พิจารณานะมันสามารถจะกลายเป็นพิษได้และที่ไม่พิจารณาก็รายเพราะประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นนะเราอย่าประมาทนะในสิ่งต่างๆแม้จะเป็นผลในความดีก็ตาม อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทาให้ไม่ไม่ไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาค่องกั้ได้คือให้หมั่นรู้สึกตัวความหลงเนี่ยนะถ้ามันคลองใจล้เมื่อไรเนี่ยกิเลสก็เข้ามาได้ง่ายแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอกิเลสหรืออกุศลธรรมเนี่ยก็เข้ามายากพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลเมื่อมีความสึกตัวกุศลกุศลธรรมใดที่เกิดแล้วก็หายไปกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็ามาเกิดขึ้นความสึกตัวนั้นจําเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมัน่นไม่เสือ่อมไม่อัตราทางแห่งพระสัตธรรมเมื่อกตามที่เรา มีความสึกตัวอยู่เสมอนะจิตใจก็ไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบมันได้ง่ายหรือไม่สามารถจะครอบมันได้เลยเราจะรู้สึกตัวได้ก็เมื่อต่อเมื่อเรามันเอาใจเนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่ปล่อยให้ใจเพ่นพ่านออกไปนอกตัวพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเกิดความสึกตัวขึ้นมา พราะการสท้าคือว่าวางใจอย่างไรนะเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่ประณีตคนเราเมื่อเกิดมาทั้งทีนะควรจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตความสุขที่ประเสริฐและความสุขที่ประเสริฐเนี่ย ก็คือความสงบนะผู้จ้ากาวก็สมื่นเนี่ยความสงบไม่มีแต่ความสงบได้่ยมีอยู่สองอย่างนะสงบก็ไม่รู้คือปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรเลยแต่พอไปรับรู้สิ่งภายนอกก็อาจจะว้าวุ่นวุ่นว้ายได้ง่ายความสงบปัญญายคือสงบก็รรู้รู้นี่มีสองอย่างนะก็คือรู้ตัวกับรู้ความจริง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 ถ้าว่าเราเนี่ยสามารถที่จะฝึกใจเนี่ยให้มีสติรู้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งความคิดที่จิตฟูมแตกขึ้นมามันก็จะสงบลงไปได้แต่สงบอย่างนี้ก็เป็นสงบชั่วคราวรู้ที่สมคัญก็คือรู้เห็นความรู้ความจริงรู้ความจริงในที่นี้คือ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 เวลาเดินก็คิดว่าเราเดินเวลาโกรธคิดว่าเราโกรธแต่พรมีสติมันก็เห็นนะว่าไอ้ที่เดิน like ไม่ใช่เราเดินนะมันเป็นรูปมันเป็นร่างที่เดินมันเป็นกายที่เดินไอ้ที่คิดเนี่ยไม่ใช่เราคิดนะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นมาในใจไอ้โกรธีไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นมาในใจ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 รู้ด้วยสติหรือเห็นด้วยสติอยู่เนืองเนือเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาจนรู้หรือเห็นความจริงว่าที่จริงไม่มีเราแ ล, แ ล, และการที่เห็นความจริงของกายและใจะการที่เห็นของจริงคือกายและใจเนี่ยอยู่เนืองเนือด้วยสติเนี่ยก็ทำให้เห็นความจริง proclaimed. หรือสัจธรรมที่กายและใจแสดงออกมาซึ่งถ้าเราเห็นสัจธรรมหรือความจริงที่กายและใจแสดงออกมาเนี่ย มันก็ทำให้วางได้มันก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถึงมั่นได้เลยและความรู้อย่างนี้นะที่จะทำให้เราได้เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงเป็นความสงที่ประเสริฐคือความสงบเพราะไม่ได้ยึดติดในสิ่งใดนะการวางใจนะให้เป็นผู้ดูผู้เห็นนะไม่เข้าไปเป็นกับอะไร ไม่ว่ามันจะเป็นจุดถานบรรดาศักดิ์ไม่ว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็ไม่เข้าไปเป็นหลวงพ่อมเห็นท่านจยนั้นเลนอยู่เสมอนะให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นให้ใจเเป็นแค่ผู้ดูระวังใจให้เป็นแค่ผู้ดูเฉยๆเห็นความเป็นไปของกายและใจที่เกิดขึ้นเห็นความเป็นไปที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเหมือนกับนั่งอยู่ริม อยู่บนฝั่งแม่น้ำแล้วก็ดูแม่น้ำเนี่ยไหลการนั่งดูแม่น้ำไหลมันไม่เหนื่อยเลยนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ทำอย่างนั้นเห็นเรือสำราญผ่านมานะก็โจลงไปไหนะว้เพื่อจะขึ้นเรือเห็นกอสะวะผ่านมาก็พยายามที่จะเอากอเอาพยายามเอาไม้เนี่ยแยงกอสะวะให้มันห่างตัวไปเห็นมันเน่าผ่านมาก็ไม่อยู่เฉยพยายามที่จะ เอาอะไรก็ได้แย่ดันให้หมาเน่าเนี่ยมันถ่างไปไกลๆเหนื่อยนะแล้วคนเราทุกข้อเห็นนี้ซะเยอะแต่ถ้าเราเป็นแค่เป็นพูดดูเฉยๆนะให้ใจของเราเนี่ยเป็นแค่พูดดูดูทุกอย่างที่มันไหลเรื่อยไปตามกระแสน้ากระแสจิต น, นะมันก็ไม่ต่างกับกระแสน้าคือมันไหลไปเรื่อยแล้วถ้าเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยนะ มันก็จะเห็นความจริงจิตก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับกับกระแสของสัจธรรมความจริงจะไม่ทําตัวไปขวางความจริงเอาไว้เหมือนกับไปขวางกระแสน้าที่เชี่ยวความจริงเน네ี่ยมันเหมือนกับกระแสน้ำน้ำที่เชี่ยวมากไม่มีใครสามารถจะต้านทานได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยทำตัวเนี่ยวังจิตวงังทําจิตทําใจเนี่ยเหมือนกับว่าไปขวางกระแสน้ำเอาไว้ก็คือ มีจิตที่มันยึดนะในสิ่งที่มันยึดไม่ได้คาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นคาดว่าให้มันเที่ยงให้มันสุกหรือไปยึดว่ามันเป็นตัวตนนี่คือการการที่เราการที่จิตเนี่ยนะเหมือนกับว่าไปขวางไปขวางความจริงเอาไว้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 เป็นจริงอยสัาธรรมดงั้นวางใจงเราเนี่ยให้เป็นเดียวกับศสนาธรรมเป็นเรื่องความจริงนะก็คือรู้ว่าสิ่งทังปวงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยพนะูะเจ้าตรัสว่าเมื่อลด็กตามที่ไปยึดในรูปก็จะเกิดทิฏฐิว่า ลมไม่ไหลลมไม่พัดแม่น้ําไม่ไหลหญิงมีขันไม่คลอดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ขึ้นและไม่ตกหมายความว่าอางไรนว่าพอไปยึดเข้าเนี่ยมันก็จะมีทิศทีความเห็นที่มองสิ่งต่างๆว่าเที่ยงน้ําไม่ไหลลมไม่พัดเนซึ่งในแง่นนี้ก็เป็นการประยึดทิศทีไปมีทิศที่ด้วความเห็นที่สวนทางความจริงความจริงก็คือว่า ลมก็ต้องพัดแม่น้ำก็ต้องไหลหญิงมีใครก็ต้องคลอดโดยที่ดวงจันทร์ก็ต้องขึ้นและตกนะขึ้นและลงแต่เมื่อการที่ไปยึดมั่นเมื่อไหลเนี่ยนะมันก็ยะมีทิฐที่ความเห็นที่สวนทางความเป็นจริงนะสิ่งที่เราควรทาคือว่าฝึกใจเราเนี่ยนะเพื่อให้สอดคล้องกับความจริง และตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของการภาวนานะเรื่องการหมัน่นะดูศึกษาจากสิ่งต่างๆพพายามองทุกอย่างให้เป็นธรรมะไม่ใช่เฉพาะสิ่งนอกตัวเท่ั้นแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราและเพราะความเพราะใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือที่จริงแม้กระทั่งไม่แม้กระทั่งปล่อยวางใจของเรา ไมยึดมั่นว่าใจเป็นเราเป็นของเราอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะในการที่จะทําให้ได้เข้าถึงความสุขทิประนีตคือความสุบเย็นที่เป็นนิพพานพุทจ้ตรัสว่าคนดีย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมัน่นคนดีไม่ได้หลุดพ้นเพราะทําความดีเพราะให้ทานรักษาศีลนะแต่เพราะความไม่ยึดมั่นถือมัน่น แต่จะไม่ยึดมั่นถือมันแต่ก็ต้องมีความดีเป็นพื้นฐานเพราะความดีนั่นก็จะช่วยปรุงแต่งแล้วก็ปรับจิตปรับใจและช่วยส่วนทำให้เราเี่ยวางใจได้ถูกต้องสอดคล้องความเป็นจริงจนกระทั้งจิตเนี่ยมันเห็นความจริงโดยที่ไม่ไม่ไม่ฝืนนะไม่มองหรือมีทิฏฐิความเป็นที่ฝืนความจริงหรือขัดกับความจริงและจิตเช่นั้นแหละนะก็จะทำให้ภาวะที่สุขสงบย่าง อารกระเสริฐได้เกิดขึ้นได้ก็พอสมควรกัเวลานะก็คงยุติเท่านี้ขอฝากขอบพระคุณนะคะข้ารารไทยศารี่สั่โลงเป็นอย่าสูค่ะที่มีการแจก่าให้พวกเราฟังในในหัวข้อเรื่องวางใจให้เต็นในลำดับถัดไปนะคะที่ฉันเคยขอความเมตตานักอาจารย์นะคะนำดยสิิเป็นเวลาสนาทีค่ะ